ังที่ครคท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการ ส, สนสุีสนทนานะคะดิฉันสอนสุนีนาคงดำเนินรายการอยู่ทางสถานีพิยวครอบครัวข่าว f อฟ0อยหแห่งนี้ค่ะรายการเราช่วงที่สองก็จะเป็นการที่เราจะได้นำเอาพุทธวจนะนะคะที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังกันมาขยายความเพื่อจะให้ความรู้นั้นได้ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีพระภัยบุญอภิปุนโนชาววัดป่าดอนไฮโซอุดรธา น, นีคะที่เป็นผู้มาพูดกับพวกเราในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวันะนนี้นมัดกการกัะทั้งคะเจริบาลค่ะก็บอกว่าเรื่องของการปฏิบัตินะคะอืมคือเียนมีพี่ที่เคารพคนหนึ่งก็เป็นผู้บริหารระดับประเทศและเก่งมาก วันหนึ่งก็โทรไปตามงานซึ่งท่านตัวอ่านหนังสือเยอะแล้วท่านก็เพิ่งเสร็จจากงานกลับบ้านท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนั่งสมาธิสักพักใหญ่แล้วก็ค่อยไปอ่านเอกสารซึ่งกองเป็นภูเขาเลากาและเต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่อ่านยากนั่นหมายความว่าท่านเชื่อสมาธิดีขนาดนั้น <laughs> ก็เป็นสิ่งที่ที่รู้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะใครใครก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองลองเปรียบเทียบดูสองกรณีสมมุติเราไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเมาเบียปิดศีลแล้วคุณมาอ่านหนังสือนะกับการที่เราไปนั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตให้สบายแล้วเรามาอ่านหนังสือเราจะพบว่าสองกรณีนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคุณยมติ๋วไอตอนที่เราไปเที่ยวกินเล่นอะไรต่างเนี่ย ไม่มันกลัวมันจะทำจิตให้มันเป็นสมาธิเนี่ยมันมันยากมากจิตมันจะไปพัวพันอยู่ในสิ่งที่เราได้ผ่านมาในขณะทางนนข้ามถ้าเราไปทำจิตให้สงบทำใจให้สบายสบายแล้วเรามาอ่านหนังสือมาศึกษาอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจชัดเจนดีกว่าความจำก็ดีกว่าความเข้าใจก็ชัดเจนกว่าการคิดแก้ไขปัญหานี้ยิ่งดีขึ้นค่ะอ่า แล้วแล้วมันไม่เกี่ยวกับเวลาด้วยไงบางคนบอกชอบทางานตอนเชา้าบางคนชอบทำงานตอนคืนใช่ไแต่เวลาไหนนะถ้าคุณไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นนะมันไม่ได้เรื่องทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ า, เ ว, า <c oughs> เวลาเวลาเช้าเรามีสมาธิตอนเช้าเวลาหรือเวลาข้ามเรามีสมาธิตอนข้ามแล้วคุณก็ทำงานได้หมดนี้สำคัญ <c oughs> และที่เราพยายามแนะนาท่านกันมาตั้งแต่ต้นนะก็คือการทา สมาธิในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นเจริญอาณาปานาสติเมื่งที่ท่านมาร์คหรือว่าพระมาชาคาวโรนําไปต่อจากนั้นท่านก็อ่าน พ, พระสูตรเรื่องที่เกี่ยวกับอาณาปานาสติสืบเนื่องมาหลายวันแล้วว่าอาณาปานาสติสมบูรณ์สติปทานสี่จะบริบูรณ์วันนี้ก็มาถึงในส่วนที่สี่นะคะก็คือธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปทานใช่ใช่ อย่างคําว่าท ร, รเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของประธรรมอืมในกรณีนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจะให้แปลตรงตัวของเขาแล้วก็ให้ชัดเจนถูกต้องตามความหมายด้วยอยนะคะอของคานี้ของคําว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะแปลอย่างไรคะโอ้ธรรมะก็คือลักษณะว่า <c oughs> คือธรรมะนี่มันมีหมดเลยนะถ้าเราดูในพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรก็ดี หรือว่าในอนาปาลสติสุก็ดีเนี่ยส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนสิปทาเนี่ยมันจะเป็นทั้งที่ในวันนี้วานก็มีส่วนที่ตัณหาก็มีส่วนที่เป็นความทุกข์ก็มีคือมีหมดทุกอย่างเลยค่ะนีคือพื้นที่เราได้เห็นสภาพของธรรมะอย่างที่เราเคยเรียนไปผู้ชมติว่าธรรมะที่ควรละก็มีธรรมะที่ควรรอบรู้ก็มีธรมะที่ควรทำให้แจ้งก็มีธรรมะที่ควรทําให้เจริญก็มี นเนีเพราะนั้นถามว่าธรรมะตรงนี้ธรรมะตรงนี้ก็คือธรรมะพวกนี้ทั้งหมดเลยเนะีเราต้องรู้ว่าอไอตัวที่เวลาเรารู้สึกเหมือนมีแสงอะไรเกิดขึ้นเรามีสติอยู่นะอ่าตรงนี้เราต้องล ะ, ะเวลาที่เราจิตตั้งมั่นแล้วอ่าตรงนี้เราต้องทําให้ชํานาญอย่างเงี้ยทำบ่อยๆอย่างเงี้ยนี่ น, นี่ก็คือธรรมะด้วยเพราะนั้นพอเราดูในอย่างที่ท่านมังอ่านตอนต้นนะทั้งกายเปรตนาจิตเนี่ยสอย่างเนี่ยนะนีจะสรุปจบด้วยธรรมะทั้งสิ้น จะสรุปจบด้วยธรรมสันถินพระุทธเจ้าก็จะพูดถึงว่าเธอเห็นธรรมมันเป็นเครื่องเกิดขึ้นเห็นธรรมมันเป็นเครื่องตั้งอยู่เห็นธรรมมันเป็นเครื่องเสื่อมไปของกายนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เห็นธรรมตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงก็คือว่ากายเวทนาจิตมันลึกเข้าไปเรื่อยๆนะส่วนธรรมะเนี่ยมีอยู่ทั้งกับกายด้วยทั้งกับเวทนาด้วยทั้งกับจิตด้วยตรงนั้นเป็นธรรมะทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็มาถึงเรื่อง การเจริญอนาปาณสติที่จะทําให้ทำธรรมารูปัปสนาสติปัฏฐานใช่เจริญกันได้ค่ะตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเออถึงแม้เราจะมีนิวรณ์นะพระเจ้าของนิวรนเนี่ยแหละเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้โอ้ยมาก็งงอยู่ตั้งนานนะว่านิวรณ์จะเป็นฐานที่ตใต้เกิดสติได้ไงยังเราง่วงอยู่เนี่ยตื่นมาเช้าๆเนี่ยแหมยังนอนไม่อิ่มเลยหรือว่านอนอิ่มแล้วยังขี้เกียจอยู่ก็ตามแต่นะ มันยังอยากจะนอนอยู่เนี่ย้ตรงนี้คือความขี้เกียจอาจจะเป็นนิวรอย่างหนึ่งะนะพระเจ้าก็ยังพูดถึงนิวรณ์ว่า<ะ>เธอรู้นะว่าจิตเธอมีนิวรนะอันนี้ยเป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐาน<ะ>เป็นการ<ะ>พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเห็นละทีนี้เราจะเห็นแล้วเราจะละได้หรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราเห็นล<ะ>แล้วเรามีถ้าถ้าเรามีเรารู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาแล้วเราจะพยายามที่จะแก้ได้ละมีมีส่วนละ คือคือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเบื่อไม่รู้ตัวเองขี้เกียจไม่รู้ตัวเองมีนิวรณด้วยซ้ำค่ะคือเรารู้ว่ามันมีอยู่ทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออเราควรจะทำยังไงกับมันดีอนิวรณเนี่ยนะทำให้มันมากขึ้นหรือทําให้มันน้อยลงอ่าถ้าเราก็รู้ให้ถูกต้องอย่างที่2ก็คือรู้ว่าเฮ้ยเจ้านิวรณก็ตามเนี่ยควรทําให้มันน้อยลงนะแล้วอันที่สามก็คือว่าเฮ้ยเราได้ทําให้น้อยลงแล้วนั่นคือ3ามรอบอย่างนี้ในกรณีความยึดมักอย่างเงี้ย เอ้เราก็รู้ว่าเรามีมัคนะเราจิตเราสงบอยู่นะในาตางางกันข้ามนะจิตเราสงบอยู่นะอ่ะดีละคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้จิตสงบเนี่ยควรทําให้มากหรือควรทําให้น้อยลงอ๋อมั น, <บ>นควรทำให้มากขึ้นถูกไหมอัีนี้ถ้าทําทให้มากขึ้นเสร็จแล้วเราทําให้มากขึ้นไดไหมแต่ถ้าเราทําให้มากขึ้นได้แล้วอันนี้ก็ถือว่ารู้รอบที่สามละอ๋อค่ะทั้งหมดสามอย่างเนี่ยต้องใช้สติทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าจิตเรามีราคากะก็ตามจิตเรามีนิวรณ์อยู่ก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นการรู้ที่ดีละ มีสติละนะสติตรงนี้พอพูดถึงหมวดธรรมะเนี่ยเราต้องแยกให้ให้เห็นชัดๆนิดนึงว่าสติเนี่ยนะคือสมมติถุ้ณโยมติ๋วเนี่ยมีใครมาด่าว่าอะไรสักอย่างใดอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่โกรธการที่เราไม่โกรธเนี่ยก็ดีแล้วนะในขณะเดีวยวกันถ้ามีอีกคนหนึ่งเขามาพูดชมเรา ห, หวานเหลือเกอินเนี่ยเราก็ไม่เคลิบเคลิ้มนะมัวเมาพัวพันอยู่ในสิ่งนั้น อันนี้แสดงว่าจิตเราดีแล้วนะทั้งสองกรณีเนี่ยคือไม่ทั้งโกรธไม่ทั้งเกลียดไม่ทั้งวิ่งหนีหรือไม่ทั้งลุ่มหลวงคือไม่ทั้งวิ่งเข้าใส่เนี่ยการที่เราไม่ทั้งหนีไม่ทั้งวิ่งเข้าหาเนี่ยไม่กลัวไม่หนีไม่วิ่งเข้าหาเนี่ยนี่คือการที่เรารู้อยู่เฉยเฉยการที่รู้อยู่เฉยนั่นแหละนั่นะคือสตินะเพราะนั้นอย่างนิวรอย่างเงี้ยเรามีความง่วงเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้ว่าพัวพันโอ้โหต้องนอนต่อต้องทําอะไรต่อออันนี้แสวาวคุณรู้อยู่เฉยในขณะเดียวการถ้าคุณอมีอย่างความโกรธอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้วิ่งเข้าหาไม่ได้โกรธมากขึ้นแต่รู้อยู่เฉยอันนี้ก็คือมีสติรู้อยู่เฉยนะมันจะไม่เหมือนกันนะค่ะสิ่งที่เราต้องทําคือรู้อยู่เฉยอันนี้ท่านอธิบายในส่วนของ ธรรมารูปสนาสติปฐานครบถ้วนหรือยังคะก็ยังมีส่วนตรงนี้ด้วยในอนาปานสติพระเจ้าพูดถึงการเกิดดับนะรู้ว่ามีเห็นการความไม่เที่ยงนะเห็นความจางคลายไปนะเห็นความดับไปนะเห็นความสลัดคืนนะค่ะพวกนี้เราต้องทราบด้วยคือไม่เที่ยงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะการที่สลัดคืนก็ส่วนหนึ่งนะไม่เหมือนกัน คือเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วสมมุติสิ่งใดเกิดขึ้นเสียงเกิดดับความรู้สึกเกิดดับเนี่ยเรายังอาจจะปล่อยวางไม่ได้นะการปล่อยวางได้หรือไม่ได้คือตรงสลัดคืนตรงนี้นคือจิตเวลาไปเกาะเกี่ยวอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าจิต น, นั้นหมดกำลังสิ่งนั้นหมดกำลังก็ดับไปใช่ไหมแล้วมันก็จะไปเกาะเกี่ยวอารมณ์อื่นอีกนะอาการสลัดคืนเนี่ยก็คือว่ามันวางแล้วปุ๊บดับเลยไม่ไปต่ออีกนั่นคือสลัดคืนค่ะ เพระนันเราก็เป็นผู้รู้ร้มเฉพาะซึ่งการสลัดคืนอย่างเงี้ยหายใจเข้าหายใจออกค่ ะ, ะคือสำหรับคนไม่คุ้นเคยเนี่ยเช่นเข้าใจว่าถ้าอ่านลำพังของพระสูตรในส่วนเกี่ยวกับเรื่องอธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะค ะ, ะเห็นคําว่าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจา เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําหายใจเข้าหายใจออกคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะดับไม่เลืออยู่เป็นประจํำแล้วสลัดคืนเป็นยังไงกลับไปใหม่หรือยังไงอืมนี่แหละนี่แหละค่ะแต่นี่คือเฉลยแล้วว่าสลัดนี้ไม่กลับไปอีกแล้วไม่กลับไปอีกแล้วค่ะก็คือวางแล้ววางเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นี่อคําว่าวางแล้ววางเลยได้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็น เป็นอสิทธิ์ใช่มไหมคะใชนงั้นผู้ที่จะสลัดคืนได้ก็คือต้องเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าคะถ้าได้หมดถูกต้องสมมุติว่ายังไม่ทันเป็นพระอรหันต์ได้ไหมคะเกินวางได้ปั๊บหนึ่งอะวางไม่ได้นี่หนึ่งสองวิค่ะอ๋อคือสองวิเนี่ยบางทีอาจจะนานเกินไปด้วยซ้ำนั่นคือหมายความว่าจริงๆแล้วจิตเรามันว่างไวกว่าสองวินาทีนะคุณจมติวไอ้ช่วงสองวินาทีเนี่ยมันเกิดไปกี่รอบแล้วบางทีเราไม่รู้สึกตัว หรือ บ, บางทีเราอารมณ์แช่อยู่แต่เราเร า, เราเผลอสติไปเราเพลินไปในช่วง1วินาทีกับอีก50ของเสี้ยววินาทีอย่างเงี้ย <cra. S 1> เราก็จะไม่รู้ว่าไอ้นี่เราเรามันเกิดหรือมันดับกันแน่ในช่วงที่เราช่วง2วินาทีนี้อย่างเงี้ยแต่เรามาจับได้ต้นวินาทีที่1กับท้ายวินาทีที่2องไอ้ตรงระหว่างเราอาจจะเผลอเผลอไปก็ได้เพลินไปก็ได้หรือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แม้เสี้ยววินาทีเดียวเรารู้เนี่ยคือตรงนั้นแหละคุณจบเลย คือการบรรลุธรรมเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีแค่ขอขณะจิตเดียวค่ะอืมไม่ถึงสองวินาทีด้วยซ้ำค่ ะ, อ, คะอีกประเด็นหนึ่งนะคือตรงที่ว่าการเกิดการดับเนี่ยนะคือการเกิดการดับเนี่ยมันมันเราเห็นเราตอนนั้นเรามีสติเห็นแต่ในช่วงระหว่างที่มันเกิ ด, ม, กดมันดับเนี่ยบางทีมันคงอยู่หรือมันคงอยู่นิดเดียวเราเพลินไปแล้วอย่างเงี้ยเราถึงต้องระวังแต่แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะว่า แต่พูดยังไงดีมันเป็นเหมือนกับไหลทะเลคุณยมติว๋วอย่างของเล่นเด็กอย่างเงี้ยเช่นหนังกระติ๊กกระโดดเชือกตัวตุ๊ ก, กตุนตุ ก, กตาจักรยานสมล้อเนี่ยโหเมื่อก่อนนี่ยึดถือมากว่าเป็นของเราในแต่ตอนนี้เราสลัดคืนมันไปได้แล้วนะเราเราสลัดแล้วเราไม่กล้าลงไปอีกนะมันก็เป็นขั้นเป็นอย่างอย่างเป็นอย่างๆไปเนาะเพราะฉะนั้นการปล่อยวางเนี่ยมันก็เป็นไปตามลําดับขั้นนะ คือถ้าเราปล่อยวางได้หมดถึงขนาดว่าร่างกายของเราตัวตนของเราเราปล่อยวางได้นั่นคือเป็นพระหลานละนะเราก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะจาเอาก่อนที่ยังไม่ถึงขั้นอะไรก็ตามจากบุคคลธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าคุณปล่อยวางสิ่งของที่เป็นของคุณได้มากภายนอกจนกระทั่งถึงตัวตนเลยความเป็นตัวตนของฉันอันนั้นเป็นพระหลานอารมณ์ภายในความโกรธความหลยอันนี้ก็เป็นอนาคามีละจนกระทั่งถึงตัวตนเลยความเป็นตัวตนของฉันอันนั้นเป็นพระหลานเลยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะคะบทเพียรชนะเพิ่มเติมค่ะ หลังจากที่เห็นความสลัดคืนเป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกแล้วพระพุโทโธงตรัสต่อว่าภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมทั้งหลายเป็นประจำมีความเพี้ยนเผากิเลสมิสตริสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอเนื่องปัญญาอภิชาและโทมนัสคืออะไรกันคือความเพ่งเล็งและความไม่พอใจ คีความพอใจและความไม่พอใจนะะั่นะอละค่ะคือถ้าหากว่าไม่มีอาภิชาด้วยใช่ชไม่มีโทมนัสด้วยคือมีอ่ะนะคะแต่ว่าต้องละให้ได้ใช่ใช่ น, นี่ฝึกเป็นนานๆเข้านานๆเข้าเปืเป่อๆผู้ที่ฟังวิทยุแล้วไปฝึกตามโดยมีแนวทางของทบสติประทานทั้งสี่จะปรัก รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก<ม>อยู่อย่างนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่จะปรากฏสมบูรณ์ได้ถ้าหากว่าเราทำอานาปานาสติให้สมบูรณ์โดยในระหว่างนั้นสำหรับผู้ที่อาจจะเริ่มฝึกทาใหม่ๆหรือแม้แต่ทามานานแล้วหนะ้าที่เราที่จะต้องทาอย่างจดจอต่อเนื่องก็คือว่าให้มีสติอยู่กับลมหายใจให้มากที่สุดเผลอออกไปเมื่อไหร่ก็น ำ, นำ สติอยู่กับลมหายใจต่อใช่คะถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วคำยากคำง่ายที่อธิบายมาในพระสูตรนี้นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงวันนี้บทที่ว่าด้วยอาณาปานสติสมบูรณ์สติปฐานสี่จะสมบูรณ์ก็จะปรากฏพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนไปสู่ความสมบูรณ์ได้ในวันใดวันหนึ่งถ้าท่านมีบารมีมากพอใช่ถูกต้องนะคะ วันนี้ก็นมัส ก, การของพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยน ะ, นะคะนมัส ก, การทางฝั่งที่พบคะ่ะช่วงนี้ดินฝ้าอากาศก็ไม่ค่อยดีนะคะดิฉันเองก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนกับจะร่ำๆ่ำจะเป็นหวัดแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมันนะคะพยายามคิดถึงว่าอ่าเราไม่มีลมหายใจที่อื่นอัดแต่เรามีลมหายใจที่มีสติก็บางทีทําให้ไม่ไปคิดถึง ลมหายใจที่อ่นอัดกลับไปมีสติรู้ลมหายใจแทนนี้ก็ดีเหมือนกันและท่านที่มีสติตั้งใจว่าประสงค์อุตสาหจำพรรษาก็มีโอกาสปฏิบัติในสิ่งที่ดีเยอะในช่วงสามเดือนและตอนนี้ก็ยังอยู่ในวเวลานั้นอยู่เมื่อถึงออกพรรษาเขามีการกระทากันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลในลักษณะที่จัดทาผ้าใหม่นะคะให้กับ พระภิกษุคือเป็นผ้าพื้นใหม่ซึ่งบาทีเขาในยุคเก่าเนี่ยอาจจะเอาผ้าเก่าๆมาเย็บต่อกันก็ได้นะคะแต่ว่าในยุคใหม่นี่ก็มักจะเป็นเรื่องของผ้าใหม่มากกว่าแต่สาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่พระจะซื้อผ้าไม่ได้โยมก็ต้องจัดหาไปถวายและเราก็จึงเรียกว่าเป็นการทอดกถินนการทอดกรถินของ วัดนาป่าพงที่ท่านสังฆลิตโสติพโลนะคะท่านมอบหนังสือให้กับพวกเราเป็นประจําแล้วก็เป็นวัดที่ท่านมาร์ชคาวโรที่จัดรายการในเบื้องต้นอยู่ด้วยเนี่ยก็มีวันที่4ส่วนวัดที่ท่านไทยบูร์ซึ่งเพิ่งได้เปิดทำที่ถูกปิดให้กับพวกเราผ่านไปก็อยู่ที่วัดป่าออนายโซอุดรธานีนะคะก็จะทอดทิ้งวันที่11ที่เบอร์โทรศัพท์0 2น6 9 0องสอ จะมีการให้รายละเอียดท่านได้ท่า น, นได้ฝากรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ไว้หมดแล้วสําหรับผู้ที่สนใจนะคะในวันนี้เราลากันไปแตเพียงเท่า น, นี้ก่อนกับรายการสรันนิษฐานาดิฉันสันสนีน้าพงเชิญคุณมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทธว